แว บ, บแรกนี่คือรู้ว่าตายละเออหลังจากนั้นมันก็เสมอกันหมดและไม่เป็นไรเลยมหศัศจรรย์มไม่เป็นไรเลยจนจนชาวบ้าน<อ>ที่ที่เข้าข้ามาช่วยจังหวะแรกนี่เขาถามคําแรกว่าใส่พระอะไรจังหวะที่สองเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยทาไมเราไม่กลัวเราไม่ตกใจอตอบเขาได้ไหมเรามีพระสติสติมันจะทํางานอัตโนมัติเลยหลวงพ่อเคยทีนะตอนนั้นหัดขับรถ ขับยังไม่เป็นเลยจะไปดูนกปักหางขับไปแหมอย่างรวดเร็วเลยนะถนนไม่มีคนเนยไปเจอสะพานมั่นนอกสะพานหัวตัดแบนๆไม่เคยเห็นนี่ในกรุงเทพไม่มีพวกพื้นเป็นเส้นเต็มเหนียวเลยนะลอยขึ้นกลางอากาศทั้งสี่ล้อเลยหัวเรานี่เปิดกระแทกหลังคารถมองลงไปข้างหน้านะพอเชิงสะพานเนี่ยหักศอกเลย สติมันทำงานอัตโนมัตินะเห <c oughs> ยียบเบรกเป็นกลางอากาศเลย <c oughs> พอรถกระแทกพื้นนะไม่เบรกแล้วเลียวแล้วจังหวะที่ที่รถมันคว่มลงไปแล้วมันสไลด์ประมาณ20ิเมตรเนี่ยจังหวะนั้นนี่ยังยังรู้สึกตัวแล้วยังหันไปถามเพื่อนว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเออนี่นแหละฝึกไว้ดีแล้วแต่ไม่ต้องซ้อมก็ได้นะครับกลับในมัสการครับหลวงพ่อเออคือ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 เราทำไม่ได้เห็นไหมฝึกไปจนทั่งเห็นเลยเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกจนกูเก่งนะบังคับได้ไม่ใช่ว่ามันจะความเป็นกลางค่อยๆเข้ามาหรืไม่ไม่มีอย่างนั้นเราทันทีที่สติเกิดนะมันเป็นเองหมดอ่ะนะไม่มีค่อยๆเป็นไม่มีนะแต่ถ้าภาวนาไปจุดๆหนึ่งถ้ามันจะเห็นเนี่นะมันจะเป็นกลา ง, งมันเองเลยใช่ไหมเออมันเป็นกลางเองนะครับกขอบคุณครับมีนะักภูบาาจารย์บางองค์ ตอนท่านเจ็บหนักมเมลเรียขึ้นสมองท่านคิดว่ารอบนี้ตายแน่นอนเลยท่านก็ดูใจก็ขึ้นมาอย่างนี้นเบิกบานโดดเด่นขึ้นมาเสร็จแล้วหายบ่นเสียดายไม่ตายนะแหมถ้าตายสรงสบายไปแล้วถ้านะใจมันไม่ปรุงไม่แต่งอะไรนะฝึกเอานะ่ฝึกเอาดูไปเรื่อยนะรักษาศีลไว้แล้วก็ภาวนาไปเรื่อย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 โดยธรรมชาติแล้วจิตนะโดยตัวของมันเองผ่องใสอยู่แล้วเราไปเอากิเลสเท่าไปทับถมมันจนเศร้าหมองไปงั้นถ้าเราไม่เอากิเลสไปใส่มันนะมีสติอยู่มันก็ดีของมันเองอะ่ะแต่ว่ามันไม่ฉลาดมันก็ดีประพัฒ ส, สอนแต่โง่ผ่องใสแต่โง่โ ง, งนี้วิธีพอมันผ่องใสแล้วเราก็ตามรู้กายรู้ใจต่อไปต่อไปทั้งผ่องใสทั้งฉลาดพอนะฉลาดเต็มที่มันจะสลัดตัวเองทิ้งเลย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 จะมีปัญหาตอนนอนหลับนี่จะฝันแล้วจะเหมือนรู้เรื่องตลอดเลยแล้วเหมือนก<ะ>็ไม่ได้พักผ่อนเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะร่างกายมันได้พักแล้ว<ะ>อย่างร่างกายนี่มันนอนหลับแต่จิตเนี่ยมันนอนสั้นๆร่างกายมันนอนนาน<ะ>จิตมันตื่นก่อนร่างกายเมื่อเริ่มทํางานเริ่มคิดเริ่มปรุงเริ่มแต่งแต่ถ้ามันคิดอะไรน่ากลัวขึ้นมานะสติทํางานขึ้นมาได้เองอีกไม่ต้อง<ะ>กลัวมากหรอกใช้ฝึกไปแล้วตอนนี้รู้สึกมีเหมือนก้อนอะไร Um> นกนีเกิดจาจงใจปฏิบัตินะเกิดจาก <IN C. S 2> ความจงใจที่จะปฏิบัติ <C. S 2> ไปบังคับมันจงใจดูจงใจดูวแน่นแน่นข <c. S 2> ึ้ม <C. S 2> ขนมาคนเอร์หกเคลายคลายการเพ่งหน่อยเนาะดูให้อย่างสบายสบายอย่าเพ่งแรงเพ่งแรงไปการมรสการครับก็ปฏิบัติมันได้สักระยะหนึ่งครับแต่เมื่อวานนี้เพิ่งเห็นว่ากายมันหายใจได้เอง อะไรนะการหายใจเออถูกต้องครับเมื่อก่อนผมคิดว่าการหาใจเองมันเห็นดูดูมันเห็นจะยากเลยแต่พอเมื่อวานนี้เสารวันมันแตกต่างกับการที่ผมคิดไว้อืแต่เดิมแต่บางวันก็ไม่เป็นเลยนะครับเออไม่เป็นไรหลงไปเลยใช้ได้แล้วที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วนะดีแล้วดูของเราไปอย่างนี้แหละครับขอบคุณครับฝึกนานเท่าไหร่เนี้ยวันนี้ก็มหาหลวงพ่อเมื่อเดินพฤจิกาครับแล้วก็รูสึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วครับ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 กลับขอคำแนะนำค่ะบากคำนิดหน่อยที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้ละดีดูไปเรื่อยๆหนีวิคิดแล้วแต่หนูรู้สึกว่าถ้าเราจะประเมินตัวเราได้ยังไงครับรเราจะประเมินตัวเราได้ยังไงคะโดยที่เราไม่ต้องคอยถามหลวงพ่อนะคะว่าเราดี<ร>าดูด<ร>ูส<ต>ิสติเราเกิดบ่อยขึ้นไหมเผลอสั้นลงไหมนะเ้อบ่อยไหม ย, ยิ่งเผลอบ่อยยิ่งดีเฟอยาว<ๆ>ไม่ดี แต่ถ้าเผลอยาวแล้วรู้ว่าเผลอยาวเนี่ยดีในขั้นตน้นรู้ว่าตัวเองเผลอละหันใหม่หมๆนะวันนึงรู้ว่าเผลอได้ครั้งสองครั้งก็บุญละต่อไปจะเผลอทียิบเลยสองวินาทีก็เผลอทีหนึ่งล้วคืออยากจะเรียนถามคําถามหลวงพ่ออากาศตอนออประมาณเมื่อเดือนพฤศจิกาค่ะหนูไปปฏิบัติที่บ้านตานะคะประมาณเจวันทีนี้ตอนวันท้ายๆเนี่ยค่ะพอจิตพอ พ, อ พ, อพอนั่งสมาธินะคะ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 ต้องเข้าไปลึกอกประมาณแค่นี้ต้องทําความรู้สึกลึกเข้าไปประมาณแค่นี้แต่เอ้ยเราคิดตัวเองหรือเปล่านั่นแหละมันพูดได้เองอย่าไปเชื่อมันขอบคุณค่ะอมาส่งมาข้างหน้านี้เบอร์แปสหยกมืออยู่ข้างหน้าเนี่นะตามสถิติที่ยกมือเลยวกว่าข้างหลังนวัตสการหลวงพ่อจ้อค่ะก็จะขอส่งการบ้านครั้งแรกก็เมื่อกี้ก็ดูว่ากลัวแล้วก็ตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่แล้วก็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 มันมาแล้วมันก็ไปใช่ค่ะอย่างบางคนกลุ้มใจนะมีความทุกข์มาถามทํายังไงจะหายทุกข์ไม่ต้องทําอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายเพราะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะมีหน้าที่รู้อย่างเดียวเลยรู้ไปความทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไ ร, ะไรๆก็ไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆง่ายนะง่ายกว่าที่คิดฝึกไปแล้วมีความสุขไม่ใช่ว่ายิ่งภาวนายิ่งมีความทุกข์นะยิ่งภาวนายิ่งเห็นทุกข์นะแต่จิตยิ่งมีความสุขมันกลับข้างกัน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 งั้นไม่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรเห็นแต่ว่ามันก็เป็นใจลักษเหมือนกับความวุ่นวายนั่นแหละคือจิตหนูไม่ได้หลอกว่ามันว่างใช่ไหมคะอ่าไม่ได้หลอกนะมันเป็นว่างคล้ายๆเป็นรอยต่อก่อนที่จะวุ่นวายครั้งใหม่เท่านั้นเองอ่าจูนอ่อมีอยู่ครั้งหนึ่งอะคะ่ะจุนภาวนาอยู่ที่วัดแล้วก็เห็นอาการของจิตลีลาของมันแล้วปรากฏว่าเมื่อวันเสราร์ที่แล้วจุน ไปที่บ้านอารีแล้วก็นั่งระหว่างฟังคนถามคําถามอาจารย์สุรวัตรเนี่ยจนก็เห็นว่าจิตมันกําลังจะทําลีลาแบบที่ที่ที่เคยจําได้ตัวนี้มันทําไมมั น, ม, นมีรีทิมด้วยสงสัยมันเจอศิลปินนะคะมันเลยอ่อนไหวเอามาย <c oughs> ืดหลวงพ่อฟังไม่ค่อยถนัดเอามายืไปบ้านอารีแนละ้วทำไมไปบ้านอารีคะ่ะแล้วก็จนก็นั่งดูสภาวะของตัวเองไปอะคะ่ะ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 รู้ไปแล้วก็ใจเป็นกลางให้มมาก็โอเคแล้วแต่สงสัยก็ให้รู้ทันไปแต่แรกเจนก็สงสัยว่าเฮ้ยเราเรารู้ล่วงหน้าขนาดนี้ใช่หรือว่าจิตมันจะพลิกเป็นอย่างนั้นมันจำได้มันจาได้แล้วมันทำตามด้วยออใช่ไหมฮอย่าว่าแต่ตรงนี้เลยสมมติว่าได้พระโสดาไปแล้วนะจิตมันเกิดไปจำรีลากับวนท่าได้นะมันแอบไปทำปลอมๆขึ้นมาแล้วก็นึกว่าบรรลุพระสกทาคาพระอนาคา มันหลอกได้ขนาดนั้นเน่ยเมันจําได้แสดงว่าจิตหนูแสบแสบ <c oughs> อีกคำ ถ, ถ, ถามของ่าหลวงพ่อคือเวลาจุนให้คำแนะนำเรื่องการดูจิตเนี่ยจุนจะพูดไปว่ามันเป็นเหมือนเกมคือถ้ า, ถ, าถ้าการดูจิตเป็นเกมเนี่ยเหมือนะอะไรนะเกมค่ะเป็นกีฬาเกมเป็นกีฬาเนี่ยกติกาของมันก็คือ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 ว่าจุดสุดท้ายแล้วก่อนที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยจิตจะเป็นกลางต่อความปลุมแต่งแต่ว่าอย่าไปทําความเป็นกลางนี้ขึ้นมานะาความเป็นกลางต้องเกิดจากมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราบทุกอย่างความสุขเกิดแล้วดับทุกเกิดแล้วดับเห็นซ้ําๆอย่างเนี้ยนั้นมันเป็นกลางเองเมื่อวานก็มีคนถามว่าทํำยังไงถึงจะเป็นกลางอ่ะเออทำไม่ได้หรอจึงก็บอกว่ารู้ที่ผิดแล้วจะถูกเองอะค่ะเหมือนที่หลวงพ่อบอกใช่แล้ววันนี้คนภาวนาเก่งหลายคนหมอนัฐ สุรวัต์เดี๋ยวเลิกแล้วขอเจอหน่อยนะคุยกันหน่อยนานๆเจอทีอ้าใครเชิญต่ อ, อข้างหน้านี้ยกไวนะข้างหลังไม่ทัน อ, ะอ่ะอะพรักาลหลวงพ่อครับดูแล้วมันเห็นเป็นอย่างอย่างเวลาเราคิดอะไรอย่างปรุงแต่งนี้ใช่ไหครับแล้วมันจะมีเวทนานะที่เป็นแบบว่าก้อนๆอะไรตรงหน้าอกอใช่ฮะหลังจากนั้นมันก็ พอเราดูมันก็จะหายอืแต่ว่าบางอย่างมันก็จะเพ่งตามมาก็ไปต้องย้อนไปดูเพ่งพอเพ่งหายมันก็กจะรับภรรษะอย่างอื่นแล้ก็จะเป็นก้อนอีกอะไรมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับวนเวียนนั่นดูไปมีแต่ความไม่เที่ยงไอ้อก้อนๆนี้เป็นเยอะนะถ้าจงใจดูเมื่อไหร่ก็มีก้อนขึ้นมาหรือเข้าไปแทรกแสงเมื่อไหร่ก็เป็นก้อนขึ้นมาอย่างใจเราเผลอไปแล้วเราไปดึงคืนมันนิดเดียวก็เป็นก้อนแล้ว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 ไม่ใช่วิบากในอดีตชาติอะไรหรอกอดีตชาติแต่ชาติขณะถัดไปนิ่มีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมครับเหยียบปากของมันเอาคุณปล่อยไปได้เยอะแล้วดีลวปล่อปล่อยปล้วแต่ยังไม่หมดนะก็ยังไม่หมดครับยังเหลือเพราะบางทีมันมันติดวิบากอย่างหลวงพ่อว่าคือมันจะอย่าไปเกลียดอยากจะดูอะไรเงี้ยวิบากเนี่ยต้องชดใชนะ้วิบากแก้ไม่ได้นะอย่างเรามีสติในกิเลส ด, ดับแต่วิบากไม่ดับ มิบาต้องชดใช้ไปเพราะไปทํากรรมมาแล้วอย่างเราเดินไปหมั่นไส้กําแพงแนละ้วชกมันเปรี้ยงไปแล้วจะต้องหมั่นไส้เป็นกิเลสตรงชกเป็นกรรมเจ็บมือเจ็บมือเป็นมิบากแนละ้วต้องทนไปนะจนมันหายเจ็บชดใช้กิเลสรุนแรงก็ทํารุนแรงมิบากมันก็แรงเอาทิศ ย, ดยอดยอดธรรมนาดีขึ้นไห<ป>มกล่าวลมัศการหลวงพ่ อ, อก็ช่วงเช้าก็รู้ลมหายใจได้เรื่อยๆครับ ฝึกไปเรยดีแล้วคุณประกอบใช้ได้นะดีขึ้นเยอะเลยอ้าใครจะยกมืออาจารย์นี่ก็ใช้ได้น ะ, ะคนนั้นยกก่อนคนนัน้นกับน้ำมศการค่ะหลวงพ่อพอดีวันนี้โยมพาแม่มากับน้ำมการพระอาจารย์แล้วก็จะพาแม่มาส่งกันบ้านด้วยค่ะแล้วแม่ฝึกแบบไหนคุณแม่ตอนแรกเนี่ยเคยฝึกแบบดูรูปนามแล้วตอนหลังช่วงปีที่แล้วคุณแม่ไม่สบายก็ ได้ฟังทีดีของหลวงพ่อค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่หลวงพ่อสอนนะคะขอโอกาสคุณแม่ส่งกันบ้านนะคะนวัตการค่ะอาจารย์ค่ะได้ฟังทีดีอาจารย์ะสบายใจดีอยากจะมาเห็นอาจารย์มาครับอาจารย์ด้วยอ๋อดีให้ได้เห็นแล้วเนาะนติงเห็นแล้วดูแต่ในรูปรูปมียจ้ะ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 นามมันเคลื่อนไหวแล้วใจเราเป็นคนรู้มันไปเรื่อยๆเราจะทำตัวเป็นคนดูเหมือนคนดูละครเหมือนดูละครละครตัวละครก็คือกายกับใจนี้เขาแสดงทั้งวันทั้งคืนแล้ ว, ล ว, ลวที่อยู่ปฏิบัติมาเนี่ยโยมบงัง ค, บบงคับบังคับเยอะไปะมันไปเพ่งมากไปบั ง, บงคับมากไปต่อไปฝึกให้มันสบายปล่อยให้ร่างกายให้จิตใจนี่ผ่อนคลาย แล้วร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปอย่างตอนเนี้ใจหนีไปคิดยอมดูออกไหมฟังอัตมาพูดแล้วใจเขาไปคิดตามเนี่ยใจหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันว่าใจเราไปคิดใครรู้ทันตัวเองเรื่อยๆก็ใช้ได้แล้วธรรมะการจะดีนะโมทนานะฝึกไปไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้หรอกธรรมะเป็นที่พึ่ง พระอาจารย์คะเราไม่ทราบว่าโยมปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะของโยมยังบังคับแรงไปหน่อยแล้วดูออกไหมใจมันหลุกหลิกหลุกหลิกใจมันหลุกหลิกเราก็รู้ว่าใจมันหลุกหลิกไปไม่บังคับให้นิ่งคะ่ะคุณน่าชื่ออะไรภาวนาดีแล้วล่ะใจมันตื่นแล้วเราก็คอยรู้ไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกดีกว่าปีที่แล้วมากต้องอย่างนั้นสิ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 บางทีมันก็เห็นโลกนี้น่ากลัวใจรู้สึกว่าน่ากลัวไปหมดเลยเรียกว่าขยตูปัฏฐานาณเป็นปัญญาหนึ่งนะเห็นโลกนี้เป็นของน่ากลัวเป็นภัยบางคนก็เห็นโลกนี้เป็นของน่าเบื่อด้วยอำนาจของนิพพิทาาญบางคนเห็นโลกนี้ว่างเปล่าบกพร่องโงงโงงหาสาระแกนสารไม่ได้เรียกอาทธินวายานภาวนาเป็นแล้วไม่เป็นอนกันแหละน่าไปถึงไหนแล้วเชิญยกมือเชิญ โอ้คนนี้ยังไม่ได้พูดยกมานานแล้วคนนี้จะถามมาไรเฮ้ อ, อครับผมเอเมื่อกี้ได้ฟังหลวงพ่อนะพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าสติเนี่ยถ้าการโทษหลงไปนะนะน 1, 2, ง เ, เนี่ยนะวันหนึ่งสองสามครั้งอะไรเนี่ยถือว่าเพ อ, อใช้ได้ละแต่ถ้าดีๆเนี่ยก็ต้องนาทีละสองสามครั้งผมเลย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 เท่าเทียมกันไม่ใช่เกลียดโมหะนะในสุดเราก็จะเห็นเลยสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิน้นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราบังคับไม่ได้ทั้งสิน้นถ้าเห็นอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันบไม่ใช่ไปดับมันนะเราไม่ใช่พระอรหันต์ยังไงก็ต้องมีโมหะการที่เรามีโมหะเราเห็นโมหะกอเรียกเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเพราะโมหะเรามีจริงๆ ถ้าเราภาวนาแล้วบอกไม่มีโมหะเลยเนี่ยเราดูผิดแน่นอนเพราะเราไม่ใช่พระละหันปล่อยไปแล้วเนี่ยมันก็มัอยังเกิดอีกแล้วก็ต้องเห็นเดกอย่างนี้เหรอครับใช่เห็นไหมมันจะเกิดมันก็เกิดเองเห็นไหมห้ามมันไม่ได้เนี่ยมันสอนไตรลักษณ์นะโมหะสอนไตรลักษ์เราเท่าๆกับความรู้สึกตัวนั่นแหละเท่าเทียมกันเลย้กิเลสตัวนี้กิเลสตัวโมหะนี่ก็ก็ละไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ละนะคนที่ละได้ต้องเป็นพระละหันละ ตัวสุดท้ายเลยตอนนี้สังเกตไหมถ้าเราหลงไปแล้วเรารู้สึกเร็วๆนะราคาและโทสะจะไม่เกิดขึ้นเพราะราคาและโทสะเนี่ยเป็นลูกของโมหะงั้นถ้าถ้าโมหะเกิดแล้วสติรู้ทันสติรู้ทันเนี่ราคาโทสะไม่มีแระทั้งราคาโทสะไม่มีอย่างถาวรแล้วนะคือพระอนาคามีโมหะยังมีเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปตกใจกับโมหะเราไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะชนะโมหะนะ ภาวนาเพื่อจะไม่ยึดอะไรสักอย่างทั้งดีและชั่วอ้าใครจะยกมือมีไหมมีหมหนึ่งมีไหมอ๋อมีอเชิญนึกว่าสองสามแล้วเราจะได้เลิกส่งกันบ้านครับหลวงพ่อเห็นว่าจิตมันชอบจะไปสร้างตัวผู้รู้ขึ้นนะครับอ่าดีที่รู้ไม่ว่าจิตจะไปสร้างอะไรก็คือจิตสร้างภพทั้งสิ้นนะถ้าสร้างภพขึ้นเมื่อไร่ความทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นแหละ สังเกตไหมว่าของคุณเนี่ยนะมันชอบน้อมจิตมันชอบน้อมจิตไปให้นิ่งๆซึมๆไม่ตรงนี้ไม่เอาเลยนะอย่าไปน้อมจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตเขาเป็นอิสระแล้วตามดูเข้าไปเรื่อยอย่งางบางครั้งเห็นเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าแยกออกมาดูได้ก็เลยจะพยายามทําตรง น, นั้นไม่ไม่พยายามถ้าเราไม่พยายามแล้วมันจะแยกถ้าพยายามอยู่กิเลสมันเกิดมันไม่แยกหรอกถ้าแยกก็แยกไม่มีความสุขแยกแบบแข็งแข็ง เรียนถามหลวงพ่อครับว่ายอย่างโยมต้องมีปฏิบัติในรูปแบบอย่างใดทึงบ้างครที่คุ ณ, <ะ>คณทําอยู่ใช้ได้แล้วนะดีแล้วคุณหมอส่งกันบ้านเลยนี่ก็ดีขึ้นครับก็หลงน้อยลงครับถูกต้องนะหลงบ่อยขึ้นดีแล้วใจตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อสักพักหนึ่งนะจะรู้เลยว่า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 มันหมดแรงทำนะมันเหนื่อยพอเหนื่อยล้ามากแล้วกิเลสมันหูมันลุมกันเล่นงานเนละส่วนว่าถ้าเหนื่อยเหนื่อยต้องมานั่งข้างหน้านี้เป็น <c oughs> นั่งผิงเสาอยู่ข้างหลังมันเหนื่อยนานถ้าใครจะคุยต่อเชิญดีใจรู้สึกไหม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 เวลาที่เราภาวนานะแต่เดิมเนี้ยข้างในข้างนอกนี่เป็นอันเดียวกันพอเราหัดภาวนาเราจะรู้สึกว่ากายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งโลกข้างนอกก็อันหนึ่งโลกข้างนอกว่างเปล่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี้ยจะหนักหนักพอฝึกไปเรื่อยๆนะความหนักนี่ไม่มีจะเสมอกันข้างในกับข้างนอกเนียว่างเปล่าเสมอกันฝึกไปถึงจุดสุ ด, ส ด, ส ด, สดท้ายนะข้างนอกข้างในจะรวมเปน็นเดียวกันสลัดคืนไปหมดเลย งั้นที่เราภาวนาแล้วเราเห็นว่าข้างในนี้หนักเนี่ยเราเห็นถูกต้องแล้วเพราะขันห้าเป็นของหนักเพระพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยขันห้าเป็นของหนักบุคคลแบกของหนักไปเนี่ยไม่พ้นจากทุกข์กทั้งปวงพระอริยเจ้าวางของหนักลงแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกนะก็เลยพ้นจากทุกข์ดูออกอยังว่าเราแบกของหนักทั้งวัน ยังไม่ออกคือเห็นสะพ า, านเนียสภาวะนี้แค้สองครั้งค่ะออดูไปเรื่อยแต่จะรู้สึกว่าน้ำหนักแต่ว่าปกติแล้วสมาธิอ่อนใช่ไหมคะไม่เป็นไรสมาเพราะว่าสังเกตว่าจะเห็นสภาวะนี้เมื่อมีสมาธิอะค่ะคือจงใจท อ, อทำสมาธิเพิ่มขึ้นไหนส่งมาข้างหน้าฉัดส่งกันบ้างช่วงนี้ก็รู้เผอได้บ่อยขึ้นครับหลวงพ่อประคองไว้ประคองมากไปนิดนึง ที่ฝึอกอยู่ดีนะใช้ได้แล้ว<ช>ดู<ช>เป็นแล้วดูเป็นแล้วดูเป็นแล้วก็ไปดูเรื่อยๆเอารัดส่งกันบ้านาเห็นหมูกระดาษไหม เ, ออเห็นแล้วไปจยนตูช่วงนี้มันมีโทสะอยู่ข้างในอะคะหลวงพ่ อ, อคือมันมันออกมาข้างนอกด้วยค่ะคือเหมือนกับว่าสภาวะที่เห็นคือว่าตอนที่ตกกลับ ไปเยี่ยมพ่อกับแม่ค่ะคือมันก็มีความสุขแต่เหมือนก็ว่ามันเป็นความสุขที่ฉาบฉวยมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นพายุอะค่ะให้ดูให้ดูลงที่ใจเราที่ไม่ชอบอดูตัวนี้นะดูผิดตัวนะไป <c oughs> ดูตรงที่ไม่ชอบช่วงที่ผ่านมาก็จิตมันหมดแรงค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันไม่ตั้งมั่นไม่เป็นไรตอนนี้มันเริ่มมีแรงแล้ว ค่ะเพิ่งมามีแรงวันนี้ค่ ะ, ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ดิ้นรนพยายามจะให้มันดีแล้วก็ไม่เป็นกล้างค่ะอ่าดิ้นไม่ได้แล้วนะค่ะไปส่งไปข้างหลังมีคําถามนิดนึ ง, นง<ป>ค่ะคือมีคนถามว่าเอ่อในเมื่อตัวเราไม่มีอะค่ะหลวงพ่อแล้วอะไรที่มันรับผลของกรรมทําไมมันมีก็จิตนั่นแห ล, และจิตเป็นผู้กระทํากรรมจิตเป็นผู้สะสมวิบากจิตเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นหน้าที่ของจิตนะส่งไปข้างหลัง ตื่นเต้นครับมีคนตื่นเต้นบ่าคุณอีกคนนึงนั่งพิงเสาอยู่แล้วไงตื่นเต้นแล้วไงที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้พอจะใช้ได้พอ<ะ>ใช้ได้รู้สึกไหมใจเราโปล่งๆปงโล่งโ ล, ล, ล่งนะดีแล้วฝึกไปใช้ได้อ้าวหมอถึงแล้วนี่ต้องมีโจทย์เยอะแน่เลยโดน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 ถ้าเรารู้ทันนะั้นในขณะนั้นไม่มีโมหะถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็หลงกับสภาวะนะในขณะนั้นมีโมหะนั้นโมหะไม่ได้เกิดตลอดเวลาถ้าเมื่อไรมีสติเร น, นั้นไม่มีโมหะเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นมีโมหะแล้วถ้ามันมันไหวๆอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะเห็นโมหะได้ยังไงคะเราไม่ต้องดูโมหะสภาวะใดกําลังเด่นชัดอยู่ในขณะนั้นรู้ว่านั้นเพราะ้นเราเห็นไหวๆเรารู้ว่าไหวๆใจเราถล่มพบดูไหวๆเนี่ย เราไม่ทันละกิเลสเกิดละใจเราถล่าลงไปดูไม่อยากดูให้ชัดๆหรือบางทีดูไฟแล้วหมดแรงมันเลยไหลลงไปรวมกับไหวๆวก็รู้ทันมันนะหนูบางครั้งหนูเห็นมันไหวก็ไหวอยู่ส่วนหนึ่งมโมหะก็เห็นอยู่ส่วนหนึ่งออโทสะก็อยู่อีกตัวหนึ่งออมันอย่างนี้ได้ด้วยหรอได้ได้ดูไปอ น, นนะัดูไปเท่าที่มันดูได้จริงเป็นคนละขณะกันแต่จริงๆแล้วโมหะนะ ไอ้โทสาเนี่ยมันเกิดร่วมกับโมหะเสมอโทสะจะไม่อยู่เดียเด่ยวเดี่ยวแล้วเวลาเห็นไหวๆแล้วมีอะไรล่อนขึ้นมาล่ะคะเออก็ดูไปว่ามันล่อนขึ้นมาถูกต้องแล้วนี่นะถูกต้องแล้วข้างหลัง น, น้นยกมืออเชินครับการบรรณาการหลวงพ่อครั บ, รอบขอขอ้ขอแนะนํานะครับโยมฝึกแบบไหนลนะ่ะแบบเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนครับ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 เราศึกษากับท่านดูได้จุดสำคัญคือความมีสติแต่ตามปกตินี่จะเน้นที่เดินจงกลมครับเเดินเดินแล้วก็เดินดูจิตใจไปครับผมเหมือนกับขยับนั่นเองรประมาณต<ย>ีสองถึงตีสนะครับรู้สึกจะได้สภาวะเออดีอ ด, พ <อ S 1> ดีพอมันมีเรื่องที่กงังวลหรือเรื่องที่รู้สึกว่าใจมันจะหนักนะครับพอเดินไปนความคิดต่างๆมันจะไหลออกม า, ออาแล้วก็จะเห็นสังเกตเห็น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 แต่ว่าก็รู้สึกว่าเห็นโสภษโมหะแล้วก็โลปะมากขึ้นนะฮะโอ้ดีมากนะ ค, คือถ้าเราภาวนาเนี่ยเราเห็นกิเลสเกิดถี่ยิบขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าสติของเราเกิดเยอะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วจิตของเราเนี่ยจะเป็นอกุศลซะมากพื้นฐานมันเลยแต่ละคนะ่ะมันจะมีอกุศลเกิดบ่อยๆกุศลมีน้อย พออ ก, กุศลเกิดแล้วเรารู้ทันก็เรียกเรามีสติจิตเราเป็นกุศลในขณะนั้นยิ่งมีสติบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าตัวเราร้ายกว่าที่เราเคยคิดไว้กิเลสนี่ทียิบเลยแต่เราภาวนาไม่ใช่เพื่อละกิเลสนะเราภาวนาเพื่อจะให้เห็นเลจิตจะมีกิเลสเราก็ห้ามมันไม่ได้แล้วกิเลสก็ไม่ใช่จิตกิเลสเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเท่านั้นเองพอเราดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเดี๋ยวจิตก็เป็นอ ก, กุศลเอาแน่นอนไม่ได้ ทั้งจิตที่เป็นกุศลทั้งจิตที่เป็นอกุศลล้วนแต่บังคับไม่ได้เนี่ยดูจน ก, กระทั่งใจเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงดูความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันความสุขก็ไม่แน่นอนความทุกข์ก็ไม่แน่นอนเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปพยายามดูจน ก, กระทั่งเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปดูโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเขาดูเล่นๆดูแล้วก็เห็นสภาวะผ่านมาผ่านไปเรื่อยๆนะดีและ้วล่ะแล้วก็อยากมีคําถามนึ่งนะครับคือว่า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 ที่เ ร, <c oughs> เราติดเพ่งนะเพราะเราบางทีเรากลัวจะเผลอไปแล้วก็จ้องเอาไว้หรือบางทีเราอยากรู้อะไรให้ชัดๆนะอยากรู้สภาวะชัดๆอยากดีอยากอะไรเงี้ยอย่าไปติดการเพ่ง <c oughs> ถ้ามันติดเพ่งอยู่อนนี้ตอนนี้เนี่ยใจมันจะน้อมไปแล้วรู้สึกไหมมันบีบตัวเองเข้าไปครับ <c oughs> ใช่ครับมันบีบตัวเองเข้าไปลืมมันไปหรือ ล, ลืมคําว่าปฏิบัติซะนะแล้วก็ปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาร์ รกระทบแล้วเนี่ยจิตเกิดกุศลอะกุศลเกิดสุขสเกิดทุกข์เราก็ค่อยรู้เอาอย่าไปจ้องไว้ก่อนถ้าเจ้าไว้ก่อมันจะเพ่งเอาแต่จิตมันชอบเวลาจิตฝ่ายกุศลเกิดเนี่ยจิตมันจะชอบไปจับความสุขจากจิตกุศลโดอัตโนมัตินะครับแล้ว<อ> ม, มันจะจมดิ่งอยู่ตรงนั้นเลยครับไม่เป็นไรนะจิตมันไปจับกุศลหรือว่าไปจับกุศลนะเราบังคับไม่ได้ดูลงไปเองเนี้ยไม่แทนที่เราจะไปพยายามบังคับมันนะเราก็ดูว่ามันแสดงไตรลักษให้ดูเสก็หมดเรื่องแล้วละ่ะ จิตมันจะไปจับอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือจับอารมณ์ที่เป็นความสุขเนี้ยเราห้ามไม่ได้ไม่ต้องห้ามมันนะให้แค่รู้ทันถ้ารู้ทันก็ไม่ได้ว่าติดถ้ารู้ไม่ทันถึงจะติดไม่ทราบมีหลงพ่อมีข้ออะไรแนะนำไมครับของคุณต้องจงใจปฏิบัติน้อยๆหน่อยนะใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี้ให้เยอะๆฝึกในชีวิตประจำวันให้เยอะๆไว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 มันไปเพ่งก็รู้ว่ามันไปเพง่งอยากจะเลิกเพง่งรู้ว่าอยากเลิกเพง่งรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปก็ค่อยๆ ค, ค, คลายออกที่ไปเพ่งเพราะมันอยากปฏิบัติขอบพุนครับถ้าคุณสืบสักส่งการบ้านนรัตการหลงพ่อครับก่อนที่คนอื่นเขาส่งเงินผมก็รู้สึกตัวสบายๆขยับมือไปเรื่อยๆอพอหลงพ่อเรียกว่าคุณสืบสักส่งการบ้านความเป็นตัวตนมันเกิดขึ้นมามันรู้สึกหนักขึ้นมาทัน ท, ทีเลยครับ น่าสงสารเนาะก็รายาเท่านี้แหละครับหลวงพ่อตอนนี้ก็เันฟูฟูหนักๆขึ้นมาไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ของจริงนะครับที่หลวงพ่อจะบอกคือทั้งสามคนน่าภาวนาดีนะครับของคุณประคองไว้นิดนึงลืมชื่ออีกแล้วเออคุณน้าพนเรียกยากนะอออ่างเนี่ยครับวันนี้วันนี้มันฟังธรรมะเหมือนกับมันเข้ามาข้างในรับรู้ได้ เมื่อก่อนได้แต่อ่านวันนี้พอลงพ่อต้องใจให้มันออกมาอย่างนี้นะใจให้มันบีบไปคงกลัวไม่อ่ะดีฝึกอย่างนี้แหละรู้สึกไมมจิตกับธรรมะมันสัมผัสกันเมื่อจิตเราไม่ปฏิเสธธรรมะนะมันจะแอบซอบอย่างรวดเร็วเลยมันจะเข้าไปถึงใจครับมันไม่เคยเหมือนมันอ่านแล้วมัน ที่ก่อนมันอ่านมันมันเพราะว่ามันเป็นลงอยู่ในโลกของความคิดแทนครับเราฟังธรรมะเราก็คิดฟังแล้วก็คิดคราวนี้เราฟังเล่นๆ เ, เราฟังแล้วเราไม่ได้คิดมากธรรมะก็เลยซึมทราบเข้าไปในใจซึมไปหลายหลหลายหัวข้อหลายเรื่องอเลยครับดีแล้วอันนี้กรารพบคนหลวงพ่อครับมันซึมแบบนี้น่ามันจะข้ามพบข้ามชาติไปจิตมันแอบซอบธรรมะไว้ครับเขาไปมี<น>ท่าองค์หนึ่งนะอยู่กับอาจารย์ ช่วงนั้นพอสอสามร้300ได้อาจารย์เป็นมะเร็งผิวหนังที่หน้าแข้งลึกๆ ล, ล, ลงไปหน้าจนเป็นแผลลึกถึงกระดูกเห็นพระนั้นพยายามเอาใบไม้หายาหาอะไรไปพอกๆอาจารย์ไม่หายนะวันที่อาจารย์จะมรณภาพเนี่ยพรนั้นนั่นงร้องไห้เลยสงสารอาจารย์อาจารย์กลับปลอบลูกศิษย์ซอีกนะอาจารย์ป่วยใกล้ตายอาจารย์กลับปลอบลูกศิษย์บอกว่า กายของเรากระสับกระสายแต่จิตเราไม่กระสับกระสายเลยนี่ธรรมะนี้แอบซอบเข้าไปในใจของลูกศิษย์ได้นะแล้วมันก็จะจําข้ามภพข้ามชาติไปกราบขอบพระคุณห<ม>ลวงพ่อครับอคุณโชคชัยแล้วต่อด้วยคุณสุรชัยกราบนมัตสการหลวงพ่อครับผมวิตกว่าผมจะพิงหรือเปล่าเพราะว่าจิตนี่มันไปจับที่กระดูกนะฮะเป็นระยะระยะ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 ดูไปนะดูไปแล้วมันมีกําลังรู้สึกไหมครับครับ ม, มันมีกาลังอ่ามันมีกาลังเพราะของเดิมเราดูกระดูกมาแล้วก็ต่อจากยอดเดิมของเราเรารู้กระดูกไปครับอาสุรชัยนมัตการครับหลวงพ่อคือสภาวะจิตที่ยังเป็นปัญหาของกระผมอยู่ก็คือตอนนี้ก็คือเชิญแป๊บหนึ่งโชคชัยลืมไปแล้วลืมกระดูกลืมหมดเลยอาสุรชัยเชิญ ดูกระดูกแค่รู้นะไม่ใช่เพ่งนะจิตไหลไปเกาะกระดูกดกร็รู้ทันมันจะมีกําลังขึ้นมา่าเชิญสใชัยครับสภาวะที่ยังเป็นปัญหากับผมอยู่ก็คือตึงประคองแล้วก็นอนครับตอนนี้ก็คือรู้จักสภาวะตรงตามความเป็นจริงขึ้นมาบ้างแต่ว่าจิตยังไม่ค่อยเป็นกลางต่อสภาวะธรรมครับโอ้ดีมากนะมันก็เลยยังไม่พลิกหลุดออกมาครับาดีใช้ได้แล้วรู้ตามความเป็นจริงใช้ได้และก็มีมีเท่านี้ครับ เท่นี้พอแล้ขอบพระคุณรู้อย่างเนี้นะรู้ไปอ้าวอ้อเวลาเมื่อก่อนนะหลวงพ่อแปลศัพท์วิลาศินีไีอ่ออกหลวงพ่อนึกว่าแปลว่าแมวตัวเมียกลายเป็นว่านางงามนะงามอ้าวอ้อว่าไปมันมันเหมือนเครื่องมันเริ่มติดอ่ะคะ่ะแล้วมันไปได้เรื่อยเหมือนเป็นแรงเฉื่อยไปไเรื่อยแล้วก็แวะเติมน้ำมันมากราบหลวงพ่อได้เรื่อยอะคะ่ะฝึกไปนะอ้อ ในโลกนี้ทิ้งมันให้หมดเลยอะไรๆไม่เอาหรอกนะชีวิตคนสั้นๆภาวนาทั้งโลกก็กำลังจะซื้อบ้านนะคะมันก็ต้องซื้อนะมันก็ต้องมีบ้านอยู่แล <c oughs> หละเรียกว่าหลวงพ่อจะไม่ให้ซื้อห <c oughs> ลวงพ่ อ, อไปยุ่งอะไรกับซื้อบ้าน <c oughs> ถึงไม่ซื้อก็ต้องเช่าหม <c oughs> ก็ต้องไปคำนวณดู<ห><ๆ>เช่าหรือซื้อถูกกว่ากัน ก, กม็มันก็มีความมุ่งมั่นจะภาวนามากขึ้นค่ะดีแล้วล่ ะ, นะะเราตั้งเข็มเลยว่าชีวิตนี้เราถวายให้พระพุทธเจ้าเราภาวนาของเราไปอย่างนี้แหลนะทำงานไปภาวนาไปอย่างเงี้ยดียังไม่ต้องบวช น, นะบวชไม่เหมาะยังบวชไม่ได้แล้วก็อยู่บ้านไปเรื่อยๆอยู่บ้านภาวนาไปแต่ว่ามาบ่อยๆ อ, <ะ>อ้าชื่ออะไรลืมอีกแล้ว จุ๊เนี่ยจุบ๊บนี่เป็นแอร์นมัส ก, การหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นค่ะเหรอคิดไม่ถึงคะ <laughs> ่ะมีเรื่องจะเล่าให้หลวงพ่อฟังค่ะว่าเมื่อต้นเดือนธันวาค่ะเดือนที่แล้วอะค่ะก็เปิดซีดีหลวงพ่อฟังแล้วก็ปกักผ้าคอสติสไปด้วยอะค่ะสักพักหนึ่งความคิดมันก็เข้ามานะคะแล้วก็ดูไปตามที่หลวงพ่อ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 เมื่อคืนนี้ไปนั่งจิตใจมันวนเวียนอยู่แถววัดเนี่ยค่ะมัน <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่ได้ตั้งตัวจะส่งการบ้านค่ะภาวนาใช้ได้นะภาวนาดีช่วย <ขอ S 2> ส่งไปให้ผู้ชายข้างหลังนะนะั่นแหะเออคุณนั่นแหละที่ถือไม้นะนะั่นแหะเป็นยังไงเคยมาไหมไม่เคยครับ เ, เคย<อ>ฝึก<ร>ไหมเคยครับรู้สึกไหมใจเราเคร่งเครียดไป แ ใ, ใจเราทื่อๆนิ่งๆนะเราปิดกฎมันไว้การภาวนาจริงๆไม่ใช่ไปการบังคับตัวเองเราไม่ได้เก็บกฎการภาวนาจริงๆนัคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในใจดูซิร่ า, รางกายมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขจิตใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงบังคับได้หรือบังคับไม่ได้นะดูลงมาเพื่อให้เห็นความจริงในกายในใจไม่ใช่ฝึกเพื่อบังคับมันคุณปรับตัวนี้นิดนึงนะอย่าไปตั้งเป้าที่จะบังคับมัน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 ใจมันก็ไม่กระตุกมันคือแป๊บเดียวแล้วมันก็นิ่งต่อเหมือนออันนั้นเราติดเพ่งไว้นะเขาคุณมันติดนิ่งติดเพ่งอยู่ให้รู้ทันว่ามันติดเพ่งไปเรื่อยๆอย่าไปเกลียดมันล่ะเอย่าไม่ค่อยคลายของมันเองหรอกเพราะการเพ่งก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วให้ปฏิบัติตามไปเรื่อยๆใช่ใช่เนี่อตอนนี้ไม่ได้นิ่งแล้วรู้สึกไหมแต่นี้เริ่มเคลื่อนไหวออกมาแล้วะเคลื่อนไหวออกมาก็รู้ทันนิ่งก็รู้ทันนะะไปฝึกแค่นี้ก็พอแล้วว่ามันเป็นนิ่งอยู่ก็รู้มันเคลื่อนไหวออกไปก็รู้ อย่าไปบังคับให้นิ่งก็แล้วกันอาจารค่ะอาเชิญโยบกลับบ้าน